ว่าถึงเรื่องของชาชักกัสูตรมาสองครั้งแล้วนะสองวันละไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะส่งเคราะห์พระสูตรนี้มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราได้มากขนาดไห น, น, นก็เหมือนก็นถามว่าฝนตกหลายวันแล้วนะใครรองน้ำฝนเอาไว้ดื่มบ้างก็เหมือนๆกันนั่นแหละ ถ้าทำคำสอนก็จะลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าผู้ที่มีภาชนะก็จะสามารถที่จะรับได้เอาไปดื่มเอาไปทานเอาไปใช้ได้ตามสมควรแก่ภาชนะที่รองรับเอาไว้ถ้าภ า, าชนะไม่ดีก็อย่างว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหลายครั้งเข้าเดี๋ยวก็รับได้เองเพราะเรื่องบุญกุศล น, นั้นคงไม่ได้เจริญครั้งเดียวกุศล น, นั้น กุศลบางอย่างต้องเป็นภาวนาคำว่าภาวนานี้หมายคำว่าบ่อยมากเอาให้เยอะๆบ่อยๆเนืองๆเป็นปกติเป็นอัธยาศัยการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราหมั่นที่จะเจริญต่อไปเราก็สา ม, มารถที่จะอบรมและก็รู้แจ้งะธรทำคำสอนเหล่านี้ได้เพราะว่าคำสอนเหล่านี้ก็มีอยู่ในชีวิตที่เป็นจริงของเราอยู่ตลอดอยู่แล้ว นะเพราะว่าเราก็มีตาใช่ไหมพระธรรมก็กล่าวถึงเรื่องของตาเราเห็นสีพระธรรมก็กล่าวถึงสีจิตเห็นพระธรรมก็กล่าวถึงเราก็เห็นอยู่แล้วจิตเห็นก็มีภาษานี่มีไหมมีเนาะเราก็มีใช้ภาษาตลอดเวลาพอเห็นก็ทำให้เกิดเวทนาเวทนาก็มีเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็โลภะก็เกิดต่อที่เรียกว่าตานหาเกิดต่อ ตันหาอันนี้ก็มีในชีวิตของเราอยู่แล้วทางหูเลยหูเราก็มีเนาะเสียงก็ได้ยินอยู่โสตะวิญญาณก็ก็มีอยู่ภาษะเวทนาก็มีอยู่จนถึงความยินดีในเรื่องของเสียงขณะนี้ก็มีอยู่ซึ่งเราก็จะต้องอ บ, บรมศึกษาในเรื่องราวเหล่านี้ทั้งโดยการฟังและโดยการ เพ่งพินิษพิจารณาต้องมากต้องใบ่ายอันการเพ่งลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเป็นการเจริญฌานเป็นการอ บ, บรมฌานเมื่ออ บ, บรมบ่ายอ บ, บรมมากเข้าการอ บ, บรมเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งในอริยสัจธรรมวันนี้ก็มาต่อชักกระสุเลยนะในหน้า 493ในข้อ822ในข้อนี้กล่าวถึงว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายบุคคลอาศัยจากสุขและรูปเกิดจากสุวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์คือเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง มิใช่ทุกมิใช่สุขบ้างเขาอันสเสวยสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ใช่พอมองเห็นตามองเห็นสีเข้าใช่ไหมตากับสีจิตเห็นภาษะทางตาเกิดขึ้นเกิดการเห็น การเห็นอย่างนี้เนี่ยถ้าภาพนั้นเป็นที่ที่พอใจเป็นภาพที่นะที่รักที่ชอบใจพอเห็นแบบนั้นปับ๊บสุขเวทนาก็ก็เกิดขึ้นสุขเวทนาก็คือภาพที่ดีนั้นอุเบขาทางตาสงเคราะห์เป็นเป็นสุขเมื่อเป็นสุขปับ๊บเนี่ยชวเวทนาที่เกิดนั้นอะ่ะเป็นอุปนิสัยให้โลภเกิดในชวนาจิตขึ้น โลภะที่เกิดขึ้นในชาวนาจิตอันนั้นเรียกว่าราคานุ่สคำว่าเราเห็นคำว่านอนเนื่องใช่ไหมคำว่านอนเนื่องนี่แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่ายังละไม่ได้ก็คือราคานุัยนอนเนื่องหมายคำว่าในขณะนั้นเนี่ยยังละราคาไม่ได้แล้วก็คำว่าอนุัยนั้นเป็นชื่อของกิเลสที่มีกาลังคาว่านอนเนื่องแปลว่า อย่างละไม่ได้แล้วในขณะที่เห็นปั๊บเนี่ยภาพที่น่าปราถนาน่าประทับใจเหล่านั้นเนี่ยเวทนาตัวนั้นนะเป็นตัวเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังมากต่อต่อตันหานั้นแล้วก็ตันหานั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดอย่างอื่นต่อไปอีกด้วยอย่างอื่นที่เกิดต่อจากตันหานั้นก็คือเจตนาใช่ไหม เจตนาที่ในชาวนะมีผลไห ม, มีเพราะเจตนาที่อยู่ในชาวนะมีผลปั๊บเนี่ยนา น, นักขัคนนี้กั ก, กรร ม, มปัจจัยก็เพาะเหตุไว้แล้วตัณหาเป็นเหมือนกับเชื้อที่นำเกิดเป็นเหมือนกับแม่ไอ้เจตนากรรมในชาวนะไอเจตนานั่นแหละเป็นตัวสามารถนำเกิดได้สามารถนำเกิดได้ถ้าเจตนาร่วมกับโลภะถึงกับล่วง กรรมบดก็สามารถให้ผลนําเกิดได้แต่ถ้าไม่ล่วงกรรมบทก็ให้ผลในประวัติการได้ถูกสุขเวทนาถูกต้องแล้วเนี่ยนะที่เป็นสุขเวทนาเนี่ยย่อมเพลิดเพลินคําว่าเพลิดเพลินตัวนั้นเป็นชื่อของของตันหากับทิฏฐิคําว่าเพลิดเพลินตัวนั้นนะเพลิดเพลินด้วยอํานาจของตันหาความยินดีในรูปารมณ์แล้วก็เพลิดเพลินด้วยอํานาจของ ทิทฐิอย่างใดอย่างหนึ่งคือความเห็นผิดอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไห้คร่ำครวญทุ่มอกถึงความหลงพร้อมมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ใช่หมเห็นภาพอันนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ไม่น่าไม่น่าปรารถนาเลยเช่นเห็นเห็นภาพที่ต้องสูญเสียของที่เราชอบใจ เช่นถ้าเรารถเรานะขับไปปาดไปเลี้ยวแตกอย่างเงี้ย น, นะไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งไฟเลี้ยวแตกถามว่ายิ้มไหมขนานั้นยิ้มไม่ออกแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยสงเคราะห์เวทนาที่เกิดขึ้นขณะเห็นอันนั้นเป็นทุกข์ชาวนาก็เลยเป็นโทส ะ, ะชาวนะที่เป็นโทสะอันนั้นแหละเรียกว่าปฏิคานุสัยเพราะว่าเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังโทสะอันนั้นมีกําลังนอนเนื่องหมายาว่า ยังละไม่ได้นั่นแหละแล้วก็อนุสัยตัวนั้นยังเป็นอุปนิสัยต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกด้วยเป็นอุปนิสัยให้โทสะต่อตอไปเกิดง่ายด้วยอะไรจนพอได้ปะโดยปะตูปะนิสยาปัจจัยก็ได้อัน อ, นอนทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วเห็นอะไรจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาก็คือเห็นภาพนั้นเป็นภาพธรรมดาธรรมดา เช่นเห็นรูปารมณ์ที่เราไม่ถึงกับสนใจมากนักใช่ไหมเห็นสีธรรมดาธรรมดาเลยเช่นเห็นใบไม้ใบหญ้าที่เราเห็นแล้วก็เฉยเนี่ยพอเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นอุเบกขาเวทนาข้าวของเครื่องใช้ของเราที่เราใช้มานานๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากนักใช่ไหมแต่ถ้าซื้อมาใหม่ๆพอเห็นปุ๊บเนี่ยแผลบยิ้มคนเดียวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยแต่ถ้าซื้อมานานๆเข้าใช้มาหลายทีเข้าเอ๊ะชักเฉยละ รถเราสมัยที่เอามาใหม่ๆก็ยิ้มนานๆเข้าก็เฉยแล้วนะเพราะขนาดที่เห็นปุ๊บเฉยเป็นอุเบกขาเวทนาพออุเบกขาเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปไม่รู้จักว่าเหตุให้เกิดเวทนาเนี่ยคืออะไรไม่เรียนรู้เรื่องเวทนาตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าเหตุเกิดของเวทนาคืออะไรบ้าง ของเราเนี่ยเหตุเกิดของเวทนาคืออะไรเหตุเกิดของเวทนาคือผัสสะใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าอุเบคาเวทนาอันนี้เกิดจากผัสสะแล้วก็ความดับแห่งเวทนาเพราะไม่มีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะเวทนาก็ก็ไม่มีใช่ไหมไม่รู้ความเกิดขึ้นของเวทนาความดับไปของเวทนาคุณตัวนั้นหมายถึงอัศธานะอัสาธะตัวนั้น แล ว, ว่าความยินดีความยินดีหรือสิ่งที่น่ายินดีอันการเข้าไปยินดีอันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือความยินดีของเวทนาและไม่รู้โทษบาลีเรียกว่าอาทธีนวะไม่รู้จักโทษของสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นโทษของเขาก็คือเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของเวทนานั่นแหละเรียกว่าโทษของเขาและไม่รู้ที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริง ที่สลัดออกแห่งเวทนาก็คือสมมาธิฏฐิเป็นต้นเป็นธรรมะเป็นที่สลัดออกแห่งเวทนาก็คืออริยมรรคนั่นแหละเป็นที่สลัดออกแห่งเวทนาจึงมีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่อวิชชาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงอวิชชาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงคะสิบสองดวงเลยเนาะโอโหโลภะเกิดก็อวิชชาอีกแล้ว โทสะเกิดก็อวิชชาโมหะเกิดก็อวิชชาอาวิชานุสัสก็นอนเนื่องคำว่าอนุัยเป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังกิเลสที่มีกำลังมากที่ทำให้ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจในขณะนั้นเนี่ยเราก็พิบตาเนี้เห็นอริยสัจไหมแต่ความไม่เห็นถ้าจิตในขณะนั้นเป็นโลภะโทสะหรือโมหะในขณะนั้นแลเป็นอวิชชาอนุัยก็เกิดขึ้น เป็นกิเลสที่มีกําลังมากนะปกปิดไม่ให้เรารู้อริยศาสตร์ได้นอนเนื่องหมายคำว่ายังละไม่ได้ดูกรที่สูตรทั้งหลายข้อที่บุคคล น, นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสใยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายังไม่ทําวิชาให้เกิดขึ้นเพราะไม่ละอวิชาเสียจาก และจะเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ใช่ไหมไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาก็คือสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งราคานุสยัยถ้าไม่รอบรู้ในเรื่องสุขเวทนาจริงๆจนละราคานุสัยได้ไม่รอบรู้ในทุกขเวทนาจริงๆเพื่อละ ปฏิคานุสัยไม่รอบรู้อทุคามสุขเวทนาคืออุเบกขาเวทนาจริงๆก็ไม่สามารถที่จะถอนอวิชานุสัยได้ไม่ทชชาําวิชาคําว่าวิชาตัวนั้นเป็นชื่อของอรหัตตมัคปัญญาไม่ทําปัญญาตัวนั้นให้เกิดขึ้นเพราะไม่ละอวิชาคือความไม่รอบรู้หละเหล่านี้เนี่ยจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันนั่นไม่ใช่ฐานะใช่ไหม ก็แสดงว่าถ้าไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยวัตถุทุกเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยวันนี้สนทนากันโยมเขาบอกว่าเขาไม่อยากเกิดละนั่นแหละเขาไม่อยากเกิดละถามว่าไม่อยากเกิดอย่างเดียวเนี่ยพอไหมพอไหมที่จะไม่เกิดเพราะคนที่ไม่เกิดคือใครพระอรหันต์ถ้าเราคิดว่าโอ้ฉันไม่อยากเกิดแล้วตายก็ได้ก็หลับหลับไปก็ผ่านผ่านไปสักทีจะได้จบกันสักทีเป็นไปได้ไหมล่ะ เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ทำไมจึงเป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่ละราคานุสยไม่ละปฏิคานุสยไม่ละอวิชานุใสยถ้ายังถอนไม่ได้ด้วยวิชาคืออรหัตมรักเนี่ยจากทรที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันเนี่ยจะละตันหารอบรู้รอบรู้อุปาทานขันทั้งห้าละอวิชาได้ทำนิโรธให้แจ้ง ซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกนั้นไม่ใช่ฐานะถึงจะบ่นว่าโอ้ยไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วบ่นไปเถอะสิปีก็สิปีอย่างในเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ปรารถนาอย่างเดียวพอไหมไม่พอความปรารถนานั้นก็ถือว่าปรารถนาดีแล้ว่ะปรารถนาไม่เกิดเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นการปรารถนาที่ที่ชอบแล้วละ่ะที่เหลือนะเครื่องมือที่จะทําให้ไม่เกิดอีกเบื้องต้นก็ต้องอะไร บารมีสิบต้องสะสมมาชาติเดียวก็ยังไม่พอนะอย่าลืมเพราะถามว่าเรารู้หรือยังว่าเราสั่งสมบารมีมากี่ชาติแล้วก็ยังไม่ทันรายรู้ทักอย่างเพราะบารมีสิบอย่างซึ่งช่วยอุปการะต่อต่อการหลุดพ้นอันในช่วงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะบําเพ็ญวิปัสสนาให้มันต่อเนื่องสามารถที่จะสลัดกองทุกเหล่านี้ได้เราจะทิ้งฐานะบารมีได้ไหม ไม่ได้ทิ้งศีลบารมีได้ไหมไม่ได้เนคขมะได้ไหมก็ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะปล่อยบารมียังไม่ถึงฝั่งเลยจะทิ้งเรือเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ต้องเพิ่งเรือก่อนเรั้นบารมีสิบนั้นเป็นกุณธรรมที่ช่วยเสริมบารมีสิบของบุคคล น, นั้นพรั่งพร้อมแล้วทําให้ไตรสิกขาของเขาบริบูรณ์นะบารมีสิบเนี่ยเกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ดูกรพิสูนทั้งหลายบุคคลอาศัยโสตะแลเสียงและนะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลดิดเพลิน พ, พูดถึง ดำรงอยู่ด้วยความติดใจจึงมีราคาโนใสัยนอนเนื่องอยู่แสดงว่าฟังเสียงอันนั้นเป็นเสียงที่น่าประทับใจใช่ไหมคุณเคยฟังเสียงที่ประทับใจไหม <c oughs> คําบางคําเนี่ยโอ้ยฟังแล้วไม่รู้ลืมเลยทําไมเขาพูดอย่างนั้นได้นะเก็บมาคิดนาดูเลยวนอยู่กับเสียงอันนั้นไม่รู้กี่รอบอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเสียงอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา ก็ทําให้เกิดขณะที่นึกถึงด้วยความยินดีเป็นต้นนั้นก็ขณะนั้นเป็นกิเลสอนุใสกิเลสด้วยนะเป็นราคานุสใสในขณะที่ฝันหวานถึงเสียงอันนั้นน่ยขณะได้ยินก็ตามขณะที่ไปฝันหวานถึงเสียงนั้นก็ตามขณะนั้นเป็นราคานุใสที่เรียกว่าเพลิดเพลินคำว่าเพลินตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของตันหาและทิฏฐิเพลิดเพลินะด้วยตันหาและทิฏฐิ พูดถึงบ่ายเข้านะพูดถึงคำคำนั้นอะ่ะบางคนเนี่ยคำบางคาเนี่ยพูดวนอยู่เจ็ดครั้งนะยังไม่เลิกเลยนะเปลี่ยนที่พูดเรื่อยๆก็คำเดียวนั่นแหละดำรงอยู่ด้วยความติดใจอะ่ะติดใจพลันอย่างนี้แหละขณะนั้นก็เป็นราคานุสัยแล้วขณะที่โลภะเกิดก็เป็นกามราคานุสยัยเป็นราคานุสยัย อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำให้คร่ำครวญทุ่มอกถึงความหลงพร้อมจึงมีปฏิคานุสายนอนเนื่องใช่หมแปลว่าไปถูกด่าเป็นต้นหรือไปฟังเสียงที่ไม่น่าปรารถนา<ๆ>เช่นเสียงว่าเ อ, อ้ยญาติคุณตายแล้วอย่างเงี้ยร้องให้กันทันทีเลยนะถือว่าเป็นเสียงที่ทำให้เกิดความเศร้าโศคลาบากบางคนเนี่ยล้มกลิ้งนอนตรงนั้นเลย ผมบอกว่าสิ้นใจแล้วนี่ก็โอ้โหนั่นแหละขณะนั้นเนี่ยโทสะก็เกิดก็เป็นปฏิฆานุสัยนอนเนื่องเพราะยางละไม่ได้อันอทุคขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วไม่ทราบชัดความเกิดขึ้นความดับไปคุณก็คืออัาธะโทษคืออาทีนวะและนิสระณะคือที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริง จึงมีอวิชชาอนุสัยนอนเนื่องอยู่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุคคล น, นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายังไม่ทําวิชาให้เกิดเพราะยังไม่ละอวิชาจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่ มีได้นะถ้าหากว่าไม่รอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆเลยนะไม่มีทางล็อกที่จะนิพพานง่ายๆเพราะว่าต้องรู้ถามว่าต้องรู้อย่างนี้ไม้มจึงจะละกิเลสได้เราต้องถามอีกทายหนึ่งว่าเออเกิดมาเราก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยก็ไม่เห็นหมดกิเลสสักทีหนึง่งนั่นแหละเราก็ต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เป็นชีวิตของเราด้วยถ้าเราไม่ศึกษาชาตินี้จะมีคาสอนที่จะให้ได้มีโอกาส ศึกษาชีวิตในส่วนนี้ไหมล้วก็คอยปลุกปลอบให้กําลังใจกับเราเองก็ได้นะเคยไปให้กําลังใจคนอื่นไม่ต้งเยอ ะ, ยอะแยะเราก็ให้กําลังใจกับตัวเองที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อไปก็น่าจะได้ทีนี้ต่อไปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลอาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้ง3เป็นผัสสะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดความเสวยอารมณ์หรือเวทนาเป็นสุขบ้างถ้าได้กลิ่นที่ดีก็เป็นสุขใช่ไหมถ้ากลิ่นที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้างเขา อันสุขเวทนาถูกกล้องแล้วย่อมเพลิดเพลินใช่ไหมไปได้ประทับใจกลิ่นบางอย่างเนี่ยใช่ไหมไปได้ดอกไม้บางอย่างมานี่ก็โอ้ยหอมจริงๆเลยดอกนั้นอะ่ะดอกพยอมอะ่ะอย่างเงี้ยติดใจหน้าดูดอกมะลิอย่างเงี้ยบางคนก็ติดใจเพลิดเพลินก็พูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจจึงมีราขานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วไปได้กลิ่นที่ไม่ดีนะไปได้กลิ่นเช่นกลิ่นของ ซากศพเป็นต้นเนี่ยนะกลิ่นเหม็นๆเนี่ยกลิ่นขยะอย่างเงี้ยแบ้กลิ่นอันนั้นเขาก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาถูกต้องแล้วก็เศร้าโศกลําบากบางคนบางกลิ่นเนี่ยทาให้ร้องไห้เลยนะคร่ําครวญทุ่มอกถึงความหลงพร้อมนั่นแหละอันถ้าหากว่ากลิ่นไม่เป็นที่ประทับใจอย่างนั้นก็โอ้โหร้องกันระ ง, งมเลยแหละก็คร่ำครวญถึง คุม อ, อกนะลงพร้อมจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกคมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปอ า, อาสาธะคือคุณอาทีนวะโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกวามพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคล น, นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะ ทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุ ข, ขเวทนายังไม่ทําวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะการตรัสรู้ธรรมก็อยู่แค่ปลายจมูกของเรานั่นแหละถ้าเรารู้นะถ้าไม่รู้ก็วัดตาของเราจะยาวกว่าะปลายจมูกของเราอีกนั่นแหละศึกษาเอา ศึกษาคำว่าศึกษาเป็นชื่อของศีลสิะศิขาอาธิศีลสิะศิขาอาธิจิตศิขาและอธิปัญญาศิกขาต้องศึกษาด้วยศิขาทั้ง3ประการในพระพุทธศาสนาเหล่านี้และต่อไปอาศัยบุคคลอาศัยเชีวหาและรถเกิดเชีวหาวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึง ย่อมเกิดความสวยอารมณ์คือเวทนาเป็นสุขบ้างอาหารอร่อยอร่อยนี่ก็ยิ้มแล้วก็ได้สวยทุกขเวทนาบ้างสวยทุกนะไปเจอรสอาหารที่ไม่อร่อยเข้ากับทุกมาเลยเผ็ดเกินไปเงโอ๊ยใครมาต่ยพริกเกินไงเค็มเกินไปเงียก็ชักทุกแหละหรือว่ามิใช่ทุกมิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วก็ย่อมเพลิดเพลินโอ้อร่อยจัง นนั่นแหละพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วคืออาหารไม่อร่อยนะไม่ไม่ประทับใจเลยรสไม่เป็นที่ประทับใจก็ถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วก็เศร้าโศกลำบากร่ำให้ค่ำควรย่อมถึงความหลงพร้อมจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ อน อ, น อ, นอนทุคขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคล น, นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายังไม่ทออําวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสีย แล้วจักเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้เป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าไม่รอบรู้ในเรื่องของรถในเรื่องของลิ้นในเรื่องของอาหารเรื่องภาษาเวทนาเหล่านี้ไม่มีทางทาที่สุดแห่งทุกได้นอกจากความรู้แบบนั้น